15, การปฏิบัติธรรมที่สำคัญที่สุดคือการมีสติในชีวิตประจำวันวงเล็บเปิด10กรกฎาคม2551ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดเวลาเราทำงานก็ขยันทำงานไปทำงานแล้วมีเวลาเราก็คอยรู้กายรู้ใจของเราไปหรือเราทำงานแล้วเกิดเครียดขึ้นมาแวบขึ้นมาเรารู้ทันความเครียดนี่เราได้ปฏิบัติแล้วเราทำงานเราจะรีบให้เสร็จเร็วๆคนมันโทรศัพท์มากวน เราโมโห ο, รู้ว่าโมโห ο. นี่เราได้ปฏิบัติแล้วเห็นไหมทำงานไปนะถึงเวลาพักจะไปกินข้าวดีใจรู้ว่าดีใจนี่ก็ปฏิบัติแล้วเดินไปกินข้าวลงมาจากตึกเดินไปเห็นร่างกายเดินอยู่ใจเราเป็นแค่คนดูนี่ก็ปฏิบัติแล้วไปถึงร้านอาหารดูอาหารนี้ก็น่ากินอาหารนี้ก็น่ากินวันนี้หิวเป็นพิเศษอะไรๆน่ากินไปหมดเลยตกละกะลังเลลังเลเห็นเลย ใจกำลังลังเลว่าจะกินอะไรดีบางวันดูจนหัวแถวท้ายแถวหมดทุกร้านแล้วไม่มีอะไรน่ากินเลยชักหงุดหงิดเอแม่ค้าแถวนี้ทำไมไม่มีพัฒนาการขาดอินโนเวชันในวงเล็บไม่คิดอะไรใหม่ๆห่วยแตกหลอยถ้ยแล้วแต่จะด่านะถ้าหิวมากก็ด่ามากหน่อยนี่เราก็รู้ทันใจของเราไปเรื่อย นี่แหละก็ปฏิบัติแล้วใช่ไหมเราจะไปห้องน้ําเกิดฉุกเฉินจะต้องรีบเข้าห้องน้ําด่วนพุ่งพรวดเข้าไปถึงห้องน้ําห้องน้ําเต็มทุกห้องเลยวิ่งไปอีกที่หนึ่งอ้าวก็เต็มอีกใจเราทุรนทุรายเต็มทีแล้วเพราะว่าศัตรูมารอที่ประตูถ้าแล้วสู้มันไม่ไหวแล้วทุรนทุรายขึ้นมากลุ้มอกกลุ้มใจขึ้นมารู้ทันมันเข้าไปนี่เขาเรียกว่าภาวนาเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมการทําวิปัสสนาหรือการภาวนา ว่าต้องไปนั่งหลับหูหลับตาตัวที่สําคัญที่สุดเลยคือมีสติในชีวิตประจําวันนี้แหละกิเลสเกิดขึ้นมาตอนไหนก็รู้มันไปตรงนั้นนั่นเรียกว่าภาวนาแล้วร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกอยู่เรียกว่าภาวนาแล้วจิตใจทํางานไปแล้วเรารู้เท่าทันอยู่เรียกว่าภาวนาแล้วฉะนั้นอย่าไปวาดภาพว่ามันจะกินเวลาเราหลวงพ่อก็ภาวนาตั้งแต่ยังเป็นโยมเมื่อก่อนรับราชการแล้วต่อมาลาออกไปทํางานรัฐวิสาหกิจ หลวงพ่อก็ภาวนาตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนขึ้นมาจิตใจของเราเป็นอย่างไรเราคอยรู้ไปเลยพอนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจจะแห้งแล้งนี่ข้าราชการชั้นดีเพราะหลวงพ่อนี่เป็นข้าราชการชั้นดีมากเลยใครๆก็ชมเพราะเขาไม่รู้ใจเราถ้าหลวงพ่อเป็นผู้บังคับบัญชาหลวงพ่อจะพิจารณาเงินเดือนตั้งแต่ตื่นนอนมึงตื่นมามึงขี้เกียจนี่ว่าใช้ไม่ได้มันไม่รักงานจริงนี่เราจะรู้ทันมัน ตื่นนอนมาวันจันทร์แห้งแรงตื่นนอนมานึกได้วันนี้วันอังคารรู้สึกแห้งแล้งอีกวันหนึ่งแล้วพอถึงวันพุธรู้สึกขี้เกียจพอวันพฤหัสบดีเริ่มสดชื่นแล้วรู้สึกไหมพอวันศุกร์เนี่ยปิ้งเลยถ้าพวกทํางานถึงวันเสาร์นะวันศุกร์ยังไม่ปิ้งพอวันเสาร์เนี่ยพวกที่ทํางานวันเสาร์ใจจะแห้งแล้งที่สุดเลยคนอื่นเขาหยุดแล้วเรายังไม่ได้หยุดเลยมีข้อเปรียบเทียบแล้วใช่ไหมไม่สบายใจพอเราคอยรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆ แต่ละขณะแต่ละขณะนี่แหละคือการปฏิบัติรู้ไปอย่างนี้นะไม่นานเราก็จะเห็นความจริงจิตใจของเราไม่คงที่หรอกจิตใจของเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเฉยเดี๋ยวก็ดีขึ้นมาเดี๋ยวก็มีความร่าเริงเบิกบานในธรรมะขึ้นมาเดี๋ยวก็เป็นอาธรรมเห็นไหมเดี๋ยวโลภเดี๋ยวกโกรธเดี๋ยวหลงไม่ต้องดูที่ไหนไกลขณะนี้นี่แหละสังเกตใจของเราไปบางคนเริ่มหิวข้าวแล้วเมื่อไร่หลวงพ่อจะหยุดพูดอะไรอย่างนี้ ฉันหิวแล้วฉันอุตส่าห์เดินมาตั้งไกลหิวข้าวแล้วกระวนกระวายรู้ว่ากระวนกระวายเดินมาเหนื่อยรู้ว่าเหนื่อยเราจะนอนไอ้เพื่อนก็เปิดเพลงเต้นแอโรบิกเรารำคาญหรือเราอยากพักผ่อนมาชวนเราเล่นโยคะอยู่ได้หรือเราอยากเล่นโยคะเพื่อนมันชวนว่ายน้ํามันหงุดหงิดนะเราคอยรู้ไปเรื่อยๆเรานอนห้องละกี่คนห้องสองคนใช่ไหมรูมเมทในวงเล็บเพื่อนร่วมห้องเรากรนดัง เราโมโหมันตอนเรากรนไม่เป็นไรนะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาเพื่อนกรนรีบนอนให้หลับก่อนนี่เป็นวิธีต่อสู้ขั้นเด็ดขาดดูไปนะไม่ใช่ยากเลยถ้าเราไปวาดภาพการปฏิบัติว่าต้องทำอะไรที่เหนือมนุษย์ธรรมดาเราจะกลายเป็นยอดมนุษย์ยอดมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์นะยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพียงแต่ตัวใหญ่หน่อยเป็นยอดมนุษย์พวกเทวดาพวกพรหมตัวโ ต, วตวนะตัวมันใหญ่หน่อยเป็นยอดมนุษย์ นี่เราคอยดูของเราไปเราไม่ได้ไปฝึกเป็นยอดมนุษย์เราฝึกเป็นคนธรรมดานี่แหละฝึกอยู่ในชีวิตธรรมดาจนเห็นความจริงว่าธรรมดาของกายนี้เป็นอย่างนี้ธรรมดาของใจเป็นอย่างนี้พอเห็นธรรมดาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับกายกับใจไม่เดือดร้อนแล้วจะแก่ก็ธรรมดาจะเจ็บก็ธรรมดาจะตายก็ธรรมดาจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ธรรมดาเจอสิ่งที่ไม่รักก็ธรรมดา จะสมหวังจะผิดหวังมันเรื่องธรรมดาไปหมดเพราะกายนี้ใจนี้เราใช้เป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้จริงหรอกเราจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากความทุกข์กันตรงนี้แหละนะ